อา้าวตั้งคิดตั้งใจกำหนดสติสตินะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตรงหน้าของเราเนี่ยปลายจมูกหน้าผากกระหม่อมหน้าอกท้องได้ทั้งนั้นตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งสำคัญท่านตั้งไว้ที่ปลายจมูกนี่แหละครูใบจนันตั้งไว้ที่ปลายจมูก เพราะว่าลมเข้าลมออกมันผ่านไปทุงนี้มันเห็นชัดกว่าที่อื่นนะเห็นชัดกว่าอืมเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงให้เอาลมหายใจเป็นคำภาวะวริกรรมคำภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจ มันพิเศษยังไงด้วยในการมาภาวนาคนเราก็อยู่ได้เพราะอาศัยลมให้ใจเท่านั้นไม่มีลมให้ใจเราก็อยู่ไม่ได้ลมให้ใจนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะกายยาบจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยลมเท่านั้น ตัวจิตตัวใจจะอยู่ได้ก็อาศัยอยู่ในลมพระพุทธองค์จึงให้ทำความเข้าใจเรื่องลมหายใจลมหายใจนันก็คือกายในกายในหรือท่านเรียกว่าลูกลูกธรรมตัวจิตของเราก็คือนามธรรม ลมคือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมให้เราทำความรู้จักอย่างนี้รูปธรรมนามธรรมก็คือขันหาเราเห็นตั้งแต่ขันหยาบหยาบไม่เห็นขันละเอียดเวลาภาวนาเราจึงมันมันจึงมีความเพียร น้อยพราไม่เข้าใจว่าลมหายใจคือรูปธรรมนามธรรมมันไม่มีอะไรมากไม่แค่นี้สติจับอารมหายใจเข้าก็รู้ชัดชัดว่าเข้าออกก็รู้ชัดชัดว่าออกออกไ้จนสุดปลายจมูกน่ น, นะสุดลมนั่นละออก ก็รู้ชัดเข้าก็รู้ชัดยาวก็รู้ชัดสั้นก็รู้ชัดจิตกับลมจะแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้เอาไปเอามาลมหายใจก็เบาลงเบาลงเบาลงในลมมันก็มีจิตลมเบาลงเบาลงความรู้สึกนึกคิดก็เบาลงเหมือนกัน ท่านจะว่กกายละหูละหูแปลว่าเบาเอาไปมากายก็ลำงับลำงับดับลงดับลงจิตของเราความรู้สึกนึกคิดก็ดับลงเหมือนกันกายละงับจิตละงับข้อต้องคงเหลือตัววิสังขาร คำว่าจิตตัวสังขารจิตนะระงับดับลงก็เหลือตั้งแต่วิสังขารไม่มีอะไรวิแปลว่าไม่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งจิตจิตจึงว่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นธาตุรูรูรูเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติธาตุรูอยู่เฉย มันเป็นเองหรอกหรือบางอาจารย์ท่านก็ถามนะบังคับลมหายใจได้หรื อ, อยังท่านให้คุมลมหายใจให้ละงับดับลงเมื่อลมหายใจระงับดับลงกายหยาบก็ดับจิตตสังขารก็ดับ หรือเรียกว่าขันห้าก็ดับลงทานั้นเพราะว่าลมหายใจมันคุมกายกับใจถ้ากายกับใจไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้ลมคุมพอลมดับพวกนี้ก็ดับลงเราก็จะได้จิตของเราจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่ หรือท่านเรียกว่าเอกาทิพพโวเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่อยู่นอกกายนะรู้รูลู้เฉยอุเบกขาเอกขจ า, าลมก็เรียกว่าจิตจาค ข, ขันห้าสละขันห้าออกชั่วชานสะกดว้ท่านที่ท่านเรียกว่าวิขขมพนวิมุต หลุดพ้นเพราะชาญขมไว้ชาญสะกดไว้แล้วหลุดพ้นจากขั้นห้ารอบแรกตอนเข้าสมาธิขั้นห้าจะดับลงชั่วจิตสงบที่ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตต์เจโตก็คือจิตวิมุตตก็หลุดพ้น จิตหลุดพ้นจากอะไรล่ะจิตรูปหลุดพ้นจากรูปน้ำขั้นห้านี่นะมันออกมาอยู่ข้างนอกเป็นเอกเทศหรือท่านเรียกว่าเอกขตาลมนั่น ร, รูู้อยู่อารมณ์เดียวเอกขตาลมหรือเอกขตาจิต พพัดซ้อนตะวางสวัยพอ่องใสอยู่นั่นลหละคือจิตเดิมแท้ของเราท่านเรียกว่าบุเพจิตตังจิตเดิมแท้มันจะไม่มีอะไรเป็นบิสังขารไม่มีอะไรไปปรุงแต่งพออยู่มานานเข้านา น, านเข้า อารมณ์ก็ไหลเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตอารมณ์มันเข้าไปทางไหนเมื่อจิตออกจากสมาธิมาอารมณ์ก็ไหลเข้าไปทางตาเนี่ยทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันไหลเข้าไปทางนี้มันจึงไปประกอบจิต ใหม่อารมณ์ก็เกิดจากรูป เ, เสียงกลิ่นรสโพทพฐะนี่แหละมันไปประกอบจิตปรุงแต่งจิตใหม่จิตของเราก็เลยเป็นเกตสิกจิตปลอมจิตเทียมจิตเศ้ามอง เพราะว่าอารมณ์ไปผสมจิตที่เรียกว่าโลกผสมธรรมนั่นโลกก็คือรูปแสงจินรดผลทพะนี่ล่ละเข้าไปผสมใจเราทาแท้ๆเป็นธาตุรูอยู่เฉยๆเหมือนกับน้ำใสสะอาดอยู่ เมื่ออะไรไปผสมเอาอะไรเ อ, เอาสีเอาอะไรไปเอาดินเอาอะไรไปใส่น้ำก็เลยเป็นน้ำปลอมน้ำขุนเป็นกิเลสเป็นจิตเทียมใจเทียมขึ้นมาเนี่จิตของเราจึงเศร้าหมองจิตตัวนี้แหละเรียกว่าเจตสิก อารมณ์คือเวทนาเวทนาเข้าไปประกอบจิตเวทนาสัญญานี่นะขันสองขันนี่แหละเวทนาขันสัญญาขันเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารสังขารจิตจิตจึงถูกปรุงแต่ง ปกติมันจะเป็นธรรมชาติประพัดสอนผ่องใสอยู่เงินเมื่ออารมณ์เข้าไปประกอบจิตโลกไปผสมทำรรอารมณ์ไปผสมจิตเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นโลกไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่รู้ว่าเป็นสมมติ ก็เลยไปอุปทานเอาก็เรียกว่าสมุดไทยเหตุเกิดแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตมันจะว่างเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เรียกว่าวิมุตหลุดพ้น มันจะบริสุดว่างพ่องใสสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันถ้าใครสามารถเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิตได้จิตของเราก็สว่างสวัย่องใสอยู่อารมณ์ไหนไหลเข้าไปก็รู้เท่าเอาทันอารมณ์ อารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่นะมันไม่เที่ยงลูกก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงมันเกิดมันดับสัญญาสังขันก็ไม่เที่ยงเกิดดับนันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเราก็เพิก โลกออกจากธรรมได้ไม่ให้โลกเข้าไปผสมธรรมเพราะว่าลูกเสียงกลิ่นรสก็เป็นเพียงตามองเห็นเฉยเหูได้ยินขึ้นเฉยเจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเฉยเมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเราสำคัญเราหลงก็มีแค่นี้แหละผู้มาภาวนา นี่แหละปัญญาล้างออกต้องเข้าใจลมนะเรื่องลมนะมาภาวนาไม่เข้าใจเรื่องลมก็ในลมหายใจนี่มันจะมีจิตอยู่ในนั่นมีผู้รู้อยู่ในนั่นต้องดูให้เป็นให้มันเห็น ให้มันรู้ให้มันเห็นลมเข้านะ่ะนะให้รู้จากต้นของลมนะั่นนะเข้าที่แรกนะั่นนะเราไม่ได้มองเราไม่ได้ดูมันเข้าที่แรกนะั่นนะคือต้นมันเข้าตองต้นมันเข้าไปกลางก็เข้าไปใน ห้องเรานั่นละ่ะกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมต้องดูให้มันเห็นอย่างนี้มันเข้าไปปับเนี่ยต้นมันเข้าไ ป, ปายจ ม, มูกเนี่ยมันออกมันเข้าไปนี่ละเรียกว่ากลางของลมตามเข้าไปดูให้มันเห็นแล้วมันเกาะ ปัดสะตวปัดออกมาต้องให้มันเห็นมันออกมามันลมมาสุดตรงไหนหละ่ะเห็นไหมถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตไม่สงบง่ายนะต้องเห็นลมต้นลมกลางลมปลายลมมันสุดปัดให้เราเห็นมันสุด ตรงลมสุดนั่นแหละท่านเรียกว่าปลายจมูกสติก็จะไปเล่น ล, ลึกรู้อยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าเฉยๆปลายจมูกปลายจมูกมท่านเอาตรงไหนเป็นปลายจมูกอะตรงลมสุดปลายไม้ปลายมือปลายอะไรก็ตรงมันสุดนั่นแหละเขาเรียกว่าปลายมันปลายจมูกก็ตรงลมสุด ปลายลมเน่ะเห็นไหมล่ะออกมาปับ๊บบางคนทำดูเข้าบางคนทำได้ยาวถึงเป็นนาทีนั่นเอใจเข้ายาวเข้าก็ตามลมไปต้นลมไหไปกลางลมออกมาก็ออกมาออกมาก็ตามมา ลมยังไม่สุดปัดต้องดูจนเห็นมันสุดเห็นลมสุดไหมล่ะพอลมสุดนี่ก็จะเห็นว่าตายวิญญาณออกมาพ้นไปจมูกปัดมันจะว่างอยู่ตรงนั้นล่ะวิญญาณมันจะทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็จะเข้าไ็เอกเกิดอีกมันเกิดแล้วก็ตายอยู่นี่ตัวให้เห็นเกิดเห็นตายมันตายชั่วขณะหนึ่งท่านเรียกว่าคานิกะมอละนังตายชั่วขณะเดียวก็เกิดอีก นี่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเห็นขั้นห้าเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายถ้าใครดูตรงนี้เห็นว่าเราเกิดเราตายอ ย, อย่างนี้มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เราจะเห็นนั่นแหละเห็นธรรมในธรรมเห็นหมวดที่สี่นะ ที่แจกไปให้ดูล่มให้ใจก็คือลูกทำนมำทำมันเกิดแล้วก็ดับเป็นอันนีจ้จังอยู่นี่มันเกิดมันดับนี่แหละเป็นทุกครั้งนี่แหละสัจธรรมเกิดดับนี่แหละคือสัจจะคือความจริงแล้วก็เห็นธรรม เห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมขันห้าก็คือรูปธรรมนามธรรมมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตจาก็เห็นธรรมในธรรมดูไปดูมาเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับ พระอายากนัญญะก็มาเห็นนะ น, นี่เห็นเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่แหละจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสงองเลกของโลกไม่ใช่ไปดูเทอื่นท่านก็ดู ขันห้าเกิดดับดูลมหายใจเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันเกิดแล้วก็ดับตอนนี้ผู้ใดเห็นเกิดเห็นดับผู้นั้นก็เห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติทั้งหมดมันรวมอยู่ในลมหมดนะขันห้าก็คือลมหายใจ ขันมันซ่อนขันกันอยู่นี่ขันขั้นกามโลกขันขั้นรูปโลกอารูปโลกปกติจิตเราจะท่องเที่ยวตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสคันห้ามันจะเกิดดับเกิดดับอยู่นี้พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่เลขพบใหญ่อนเออนกนอันพบอยู่อย่างนี้ เกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ตาไม่เห็นหูก็ได้ยินหูไม่ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่เกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าธรรมดาเรียกว่าธรรมชาติเกิดดับนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ที่อื่นเห็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับ เห็นต้นลมไหมละ่ะมันเกิดมันดับเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ต้นลมเข้าไหมเรียกว่าเกิดลมมันออกมาพ้นไปจมูกก็เรียกว่าดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตายอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจึงจะเรียกว่ามาม ภาวนามันเกิดสืบเนื่องกันเป็นสัน ต, ติต่อกันอยู่หาละหว่างขั้นไม่ได้ออกมาแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าไปก็ต้องออกมาเป็นธรรมดาคือเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัตว์จริงอริยะสัตว์จริงสัจธรรมคือเกิดคือดับ พอมันพ้นไปจมูกออกมานิดหน่อยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นมันพ้นไปจมูกไมหมเราฮะไม่ใช่มานั่งนอนหลับต้องให้เห็นลมออกจากปลายจมูกสุดปัดถ้าไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่มานะวันคืนเนี่ยมาเล่นเฉยเฉยเห็นลมมาสุดตรง จะ ง, งอยปากกับเราเนี่ยที่เรียกว่าปลายจมูกเนี่ยมันมาทิ้งซากศพไว้มันว่างอยู่เนี่ยวิญญาณก็ทิ้งร่างกายเราเอาไว้เรียกว่าตายท่านเรียกว่าคานิกะมอระนังตายชั่วขนาดหนึ่งพระพุองค์ว่าตายแบบปกปิดปฏิชนะตายแบบปกปิดถ้ามันไม่เข้ามันไม่ออกแล้วนี่เข้าแล้วไม่ออก ออกแล้วไม่ออกเข้าไปล้วก็ตายแบบเปิดเผยอ่าอปปติชนะไม่ปกปิดคือเปิดเผยปฏิชนะแปลว่าปกปิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเกิดจะตายอยู่อย่างนี้ดูจนมันเห็นเบื่อหนนะ่นั่นเบื่อหน่ต้องสังเกตต้องซ่อมเบืง พิจนาบัางถ้าไม่พิจนาดูไม่สังเกตไม่วิโตกวิจารดูไม่วิจัยดูเราไม่เบื่อดอกไม่เบื่อในลมหายใจไม่เห็นอนิจจานุปัสสีรอกเห็นมันเข้ามันออกนี่เรียกว่าไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําเมื่อหายใจเข้า ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจาเมื่อหายใจออกมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ฮไว้ใจได้ไหมละลมมือมันเที่ยงไหมละ่ะถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราก็เป็นผีทันทีเดี๋ยวนี้เราเป็นผีชั่วคณะเดียวคณะจิตเดียวตายปั๊บแล้วก็เกิดอีก เรายังทรงตัวจั่งนั่งอยู่ได้ถ้ามันไม่เข้าล้วก็ไม่ออกแล้วก็หมดสิทธิ์ตายแบบเปิดเผยอันนี้มันปกปิดเอาไว้ไม่ให้เราเห็นว่าเราเกิดเราตายพระองค์จึงชี้ให้เห็นเพื่อจะให้เบื่อไนเบื่อไนในเกิดในตาย เมื่อเบื่อในจึงจะคายความยินดีเมื่อคายความยินดีจึงจะดับขันห้าได้จึงจะสลัดขันห้าคืนให้กับธรรมชาติเสียจุดสําคัญอยู่นี่นะการภาวนาก็มีอยู่ภาวนาแปลว่าทำชื่อเต็มม่าจิตปภาวนาจิตก็แปลว่าใจภาวนาแปลว่าธทำ เอาย่อยๆนี่แหละทำใจให้สงบเนี่ยทำใจให้สงบก็จับอารมให้ใจเข้าออกเข้าออกดูไปดูมาลมหายใจจางคายหายไปจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จิตก็สงบได้เกโตวิมุตขึ้นมาเท่านั้นถ้าหากว่ามันไม่สงบ ก็มีอีกอย่างหนึง่งทาใจให้เกิดปัญญายังไม่หมดทางทำใจให้เกิดปัญญ า, า, ใใ ป, ญญาปัญญาเกิดจากไหนเกิดจากลมหายใจนี่แหละเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกปัญญาในที่นี่หมายถึง อันนีจังทุกครั้งอนัตจานะปัญญาหรือไตลักยานเห็นเท่านี้ปัญญาไม่มีอะไรนอกจากนี้เห็นลมให้ใจเข้าไหมล่ะเดี๋ยนี่ยเห็นออกไหมเห็นมันเกิดไหมเห็นมันดับไหมสวดอยู่ในอนัตจาระคณสูตรสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับ ลมหายใจเหลือขันห้านี่เกิดแล้วก็ดับนี่สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับนี่ลมหายใจเข้าออกลเลยเรียกว่าเกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วสวดไปเมื่อกี้นี่ อ, อนิจจาพันเตเนี่ไม่เที่ยงพระเจ้าข่านี่ยคาแปลมัน อเมื่อมันไม่เที่ยงนั่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฮะนึกออกไหมมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือมันเกิดมันดับมันเกิดมันตายอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจา ว, าวัคคีย์ก็ดูขั่งพันเตนั่นเป็นทุกข์เพราะเจ้าข้าไม่มีไปรู้ทางอื่นสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราก็คงจะบอกมันได้เป็นอนัตตาพระเจ้าค้าน่ะนะมีเท่านี้หละปัญญาเมื่อเห็นรูปขันห้าหรือลมหายใจนี่แหละคือรูปธรรมมันเกิดมันดับเที่ยงไหมหละ่ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะ ก็เห็นแค่นี้นะไม่ได้ไปเห็นที่อื่นเมือ่อลมให้ใจมันไม่เที่ยงปัญจวัชีจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในลูกลูเปสุปินิพินทตนนิจึงเบื่อหน่ายในลูกเวทนาญาปินบินทติเบื่อหน่ายในเวทนา เบื่อหนในสัญญาเบื่อไหนในสังขารวิญญาณเพราะมันมันเกิดแล้วก็ดับจึงเบื่อไหนนิพพินทตินิพพินทตินั่นเบื่อหนเมื่อเบื่อไหน่ายก็คลายความยินดีในขันห้าดับไม่มีเหลือนิโรธานิโรดแปลว่าดับนิโรทานุ ป, ปัสสี อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีเบื่อในคายความยินดีก่อนวิลาวิลาคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีนั่นเห็นว่าเมื่อเบื่อในก็คายความยินดี เ, นเมื่อคายความยินดีจึงสลัดขันห้าทิ้งดับขันห้าได้เพราะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคล ได้เห็นในลมหายใจนี่ละพระวง์เจ้าพระพุทธเจ้ายังตัดสรู้ด้วยอนาปานสติไม่ได้รู้ที่ไหนพระองค์ถือเอาขันขันกามะโลกขันห้าเมื่อดับขันขันกามะโลกได้ดับกามะชั้นทะาลงจิตของเราจะไปเที่ยวอยู่ใน ลูปาวจรจิตในรูปฌานดับรูปฌานได้กับจิตก็เ ข, เข้าไปอยู่ในอารมูปฌานกา ม, มาโลกรูปโลกอารูปโลกมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่นอกมีไปอีกมันมีอยู่ทั่นทั่วทุกตัวเราเนี่ขันขันกา ม, มาโลก ขันขันรูปโลกรูปโลกอรูปโลกนี่มันเกิดเฉพาะมโนอย่างเดียวเกิดทวารมโนเกิดทางทวารมโนนั่งไปนั่งมาผ่อนลมให้ใจลมให้ใจเบาลงเบาลงลมให้ใจแลงับดับลงก็ปรากฏเห็น จ e. ิตของเราสงบอารมณ์ที่มาประกอบจิตคือรูปภายนอกความสงบอารมณ์ที่รู้ว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้ว่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือรูปภายนอกใจของเราก็คือรูปภายในความรู้ว่าสงบขนาดนั้นขนาดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณ ก็คือขันห้าอารมณ์สงบ ก, ก็คือรูปภายนอกที่มาปรากฏที่ใจใจเราก็คือรูปภายในต้องรู้ด้วยอันเนี้ยมาภาวนาต้องรู้สิ่งพวกนี้ด้วยมโนวิญญาณรู้ว่าจิตว่างจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แหละเรียกว่า ขั้นห้าเกิดด้นขั้นขั้นรูปโลกนะอันนี้รูปโลกเกิดทางมโนทวารทางใจอย่างเดียวให้พากันจำเอาแล้วก็พิจารณาดูถ้าเราละรูปรลาคะรูปฌานได้ดับความยินดีในรูปฌานหรือดับ รูปฌานลงจิตของเราก็จะไปขึ้นเป็นอรูปฌานอารูปฌานก็คือขันธ์อันปณีตอีกต้องเข้าใจดับรูปฌานได้ดับรูปประจิตได้ก็จะเหลืออยู่ความว่างเป็นอากาศอยู่อากาศายันจายตนะ ว่างเป็นอากาศอยู่เชยเชยไม่มีวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลอันนี้ก็อารมณ์นี้ก็คือรูปภายนอกไปประกอบอยู่ที่ใจเรามโนวิญญาณรู้ว่าว่างเป็นอากาศอยู่ก็คือนามรูปกับนามรูปกับนามก็คือขันห้า อันนี้เขาเรียกว่าท่านเรียกว่าขันอันปณีดขันหยาบขันละเอียดขันปนิดมันซ้อนกันอยู่ขันพวกนี้แหละผู้ใ ด, ดว่าอุปทานเอาก็เป็นทุกข์หมดเราต้องมาเห็นขันห้าปฏิบัติขันห้าให้มันเห็นตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดี จึงจะไม่มา ย, ยึดเอาขันขั้นการมาโลกเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขันขั้นรูปโลกก็คือฌานขันขั้นอรูปโลกก็คืออรูปฌานนั่นเองรูปฌานอารูปฌานขันมันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้ผู้ใดไปเห็นรูป ชาญได้ชาญสได้ชาญสามมันจะมีสุขกับเอกับคาตาลมสุขอยู่อารมณ์เดียวคนจึงติดสุขในชาญเห็นว่าชาญสุกเหมือนกับพระนิพพานจึงมาติดสุขในชาญท่านเรียกว่า ลาคะลาคะแปลว่ายินดีพอใจรูปลาคะนั้นยินดีพอใจในรูปฌานเห็นว่าฌานนี่แหละคือพระนิพพานมันสุขไยนั่งสมาธิปั๊บมันก็สุขว่างสบายอยู่นั่ยนะสบายก็สุข ก, กันแล่ะก็เลยไป แปลกประหลาดนะถ้านั่งลงนี่จิตสงบว่างตัวต้นสัตว์บุคคลไม่มีว่างมือไม้แขนขาไม่มีมีแต่อารมณ์รู้รูู้อยู่เฉยเฉยไม่ไปอยู่ในกายเราตัวนี้ตัวจิตออกจากกายเรามารู้ๆูกายเราจึงไม่ปวดนั่งนานก็ไม่ปวด มือไม้เหมือนกับเอากระดาษวางใส่กันไม่รู้สึกว่ามีมือมีเท้ามันจะว่างเบาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเบาคนจึงหลงติดสุขในรูปฌานท่านจึงเรียกว่ารูปลาคะตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกติดอยู่ขัน อันนี้ก็เห็นฌานเป็นเราเห็นว่าเราได้ฌานเห็นฌานเป็นเราเห็นเราเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในเราเห็นเรามีอยู่ในฌานเห็นฌานเป็นต้นเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานนี่จึงเรียกว่าเราติดละสักยะทิฏฐิไม่ได้ดับขันห้าไม่ได้ ยังเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นฌานเป็นตนก่อนนี่ละขันละเอียดเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีตนเห็นตนมีอยู่ในฌานเนี่ยเห็นขันห้าก็ติดอยู่ในขันห้านี่คือเก่าถ้ามิจฉานี้ไปก็เห็นอรูป เป็นอากาศว่างอากาศาวิญญายัญจายตนะณเนวะสัญญานาสัญญาจตนะอากาศายัญจายตนะวิญญาญัญจายตนะอาจินจายัญจายตนะเนวะสัญญานาสัญญาจตนะะเราก็เห็นความเห็นพวกนี้แหละ ว่างสุขสบายจึงติดอยู่ในฌานรู ป, ปาระาคะอรูปภล า, าคะพระอรหันต์จะมาติดอยู่นี่ใครไม่รู้รู ป, ปาราคะอรู ป, ปาระาคะรูปภะ า, าคะก็คือติดอยู่ในรูปฌานสีอรู ป, ปาราคะก็ติดอยู่ในอรูปฌานสีเมื่อตายไปจึงไปเกิดอยู่พม่าโลก เสียเวลานานนะพร ม, มโลกวันหนึ่งในพร ม, มโลกชั้นแรกเท่ากับเก้าล้านปีในเมืองมนุษย์กว่าจะหมดอายุของพรม่ะไรทีนี้นเราบาเพ็ญภาวนาได้ขนาดไหนอยู่พรมชั้นไหนไปเสียเวลาอยู่นี่อีก แทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บําเพ็ญภาวนาเข้าสู่พระนพานให้มันเร็วๆ เ, เข้ากลับไปเสียเวลาอยู่พร ม, มโลกนนท่าพกาพรมที่เราสวดอยู่ในพระหง ก, ก็หลงว่าเจ้าของเป็นพรมใหญ่ที่สุดในโลกท่าพกาพรมเรียกว่าเราลิขิตหมดพรมลิขิตหมดโลก ตายไม่เป็นพมมโลกมหาพรมพระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปปวดเอานั่นแหละต้องไปสู้กับพระพุทธองค์ใชาอิทธิอิทธิฤทธิปัญปาเทียงหันแสดงนั่นแ่ะขันอันกามมโลก รูปโลกอรูปโลกเรียกว่ากิเลสอันห้านี่แหละคือกิเลสรูปฌานก็เป็นขันละเอียดอรูปฌานก็เป็นขันอันปนนิดคนก็มาถือเอาอุปทานว่า เ, าเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌาน กว่ามายึดอุปทานว่าเราได้ฌานเราได้สมาธิมันเป็นสมาธิหัวต่อไม่เกิดปัญญาแม้ได้ฌานสมาบัตแปดหรือได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดก็จำยังเป็นโลจิยะอยู่นะต่อเมื่อมาเห็นฌาน เห็นไตลักยานในฌานเห็นฌานมันเกิดขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นเมื่อบุคคลใดมาพิจารณาสังเกตเห็นว่าฌานเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเรามาเห็นไตลักยาน คืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาในฌานจึงจะดับฌานได้ในฌานรูปฌานอรูปฌานได้ถ้าผู้ใดมาติดอยู่ในอารมณ์ฌานรูปฌานอรูปฌานก็เรียกว่าอารมมนูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ฌานเกิดอยู่พรมพโลกถ้าผู้ใดอืมมาสังเกตหรือมา ดับเห็นฌานเห็นสมาธิเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมาเห็นไตลักษณในฌานในสมาธิยิ่งจะเรียกว่าสัมมาสมาธิอ่าสมาธิถูกต้องถ้าใครไปเห็นคือว่า รูปราคะรูปราคะมันก็เกิดจากนี่แหละผู้ไปพระนิพพานไม่ได้ก็มาติดอยู่เรือศีชีพัยสมัยก่อนพระพุทธองค์ตัดสันลูก็มาติดอยู่นี่แหละติดอยู่ในชาญ น, นี่แหละในสมาธินี่แหละจึงไปตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรมโลกเท่านั้นคาอยู่นั่นแหละให้พากันเข้าใจ เมื่อผู้ใดมาเห็นฌานเห็นไตลักยานในฌานในสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุค้างอนัตตาล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันห้าได้กามาโลกรูปโลกดับสามแดนโล ก, กาธาตุนี้ได้เห็นว่ามัน ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของเราจึงพ้นจากโลกพ้นจากสมมติพ้นจากอารมณ์นี่ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเห็นมันสุดไหมหลังถ้าไม่เห็นลมสุดเท่าก็ไม่ได้ทำนะคืนเนี่ยออกมาสุดไหมนี่เราจะเห็นมันเกิด ดับขันห้าเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมในธรรมจึงจะเบื่อหน่ายในลมหายใจเบื่อหน่ายในขันห้าจึงจะดับขันห้าได้ถ้าไม่เบื่อหน่ายใครความยินดีดับขันห้าไม่ได้ก็เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวไดอยู่นี่แหละถ้าใครไม่เห็นมันไม่ไม่ไม่ไม่อยู่ไกลนะ เอาละวันนี้ก็พอสมควรสมควรเก่เวลาเห็นไตลังยานแล้วก็พอละเป็นยังไงละ่ะเห็นลมไหยเห็นมันเข้ามันเริ่มเข้าที่แรกก็เรียกว่าต้นลมเข้าไปนี่ก็เห็นกลางลมออกมาไม่ใช่ออกมาแล้วขี้เกียจดูนะแต่กวนดองตาก็เหมือนกัน พอมันออกมาแล้วเอาละมันออกมาแค่นี้ก็พอละว่างกันนะก็ปล่อยไปออกมาต้องดูให้เห็นว่ามันมาสุดให้เห็นลมหายใจสุดเห็นปลายลมเห็นไหมล่ะโยอมนิงฮะปลายลมผู้ฝึกใหม่ๆก็ทําอย่างงี้แหละเห็นต้นลมเห็นกลางลมเห็นปลายลม เห็นสุดไหมล่ะดูไหมอ่ามันสุดพอมันสุดเนี่ยตรงตรงที่มันสุดนี่รู้สึกเป็นยังไงฮะฮะเออมันว่า ง, ว, างว่างอยู่สแสดงว่าตรงนี้มันว่างวิญญาณเราพ้นไปจะหมูกออกไปก็เรียกว่าวิญญาณทิ้งซากศพเอาไว้ก็เรียกว่าตายใช่ไหมนี่เราเห็นตายแล้วนะถ้าถ้าเห็นอย่างนี้ เห็นเกิดเห็นตายแล้วเห็นเกิดเห็นตายเห็นหรือยังฮะ